บรรลุคุณวิเศษแล้วจึงมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้จึงเนื้อกว่าเทวดาอื่นๆหมดเนี่ยนะเนื้อกว่าพวกแม่เนื้อกว่าพระอินทร์ด้วยครั้งตอนหลังพระอินทร์เนี่ยเป็นพระโสดาบันนะจึงค่อยอยังชั่วหนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพระอินทร์เนี่ยต้องหลบนะหลบบริวารตัวเองก็คล้ายๆอะไรคล้ายๆก็บอกหัวหน้าเนี่ยคือเป็นใหญ่ก็จริงแต่จนน่ะลูกน้องเนี่ยเป็นลูกน้องก็จริงอะ่ะแต่รวยยังเคยเห็นไหมคล้ายๆแบบเนี้ยอันนั้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 เรียกว่าเหลื่อมล้ากว่าเทวดาในสวรรค์นั่นด้วยอำนาจสิบอย่างด้วยกันนะเหลื่อมล้ากว่าเทวดาอื่นๆสิบอย่างด้วยอะไรอายุวันณนะยศอธิปไตยคืออํานาจเนื้อกว่าเทวดาทั่วๆไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะทั้งหลายพั้งทุกอย่างที่เป็นทิพย์เนี่ยเนื้อกว่าเราเทวดาอื่นๆทีนี้เทวดาที่เกิดก่อนนะเขาไม่ริษยานะเขาอนุโมธนาวู้ดีใจด้วยจริงๆเพราะคนที่มีน้ําใจริษยาเนี่ยเกิดเป็นเทวดาไม่ได้หรอกเนี่ยนะนะ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 ปัญจสิกขาเทพพบุญเนี่ยเ ข, เขาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังต่อไปว่าเพราะเหตุนั้นกล่าวกันว่าพวกเทพชั้นดาวดึงเนี่ยนะชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัสโดยประมาณยิ่งหมายความว่าดีใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยเพิ่มปริมาณความดีใจขึ้นว่าโอ๋นอผู้เจริญกายทิ่ย่อมบริบูรณ์กายอาสูญย่อมเสื่อมหมายความว่าอบายเนี่ยลดลงแน่นอนอย่างนี้ครั้งนั้นเท้าสักกะคือพระอินจอมเทพเรียกว่าจอมเทพหมายความว่าหัวหน้าของเทวดาราชาของเทวดา ปกครองเทวดาสองชั้นคือดาวดึงและจาตุมเนี่ยนะทรงเลื่อมใสพร้อมอเห็นความเลื่อมใสของเทวดาเทพแล้วก็เรียกเทพเหล่านั้นชั้นดาวดึงว่ า, เ, านะเขาเรียกเทวดาเทวดาเขาเรียกเทวดาด้วยกันว่าท่านผู้นิรุตุกเนี่ยนะมาริสะแปล ว, ว่าท่านผู้นิรุตุกทุกคนมีแต่ความสุขหมดเลยเนะ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 ทีนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพก็ตรัสพระพุทธคุณตามความเป็นจริงแปประการของพระพุทธเจ้าแก่พวกเทพคือเทวดาชั้นดาวดึงว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงพระคุณข้อแรกก่อนบอกว่า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 พระอินเนี่ยมีอายุประมาณสามสิบหกล้านเกือบสามสิบหกล้านปีแล้วก็คืออายุร่วมสามสิบหกล้านปีแล้วตอนนั้นเนี่ยนะตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นพระอินอยู่สามสิบหกล้านปีมาเนี่ย<ๆ>เขาไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาเลยที่ที่เป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่สามคำนะเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข น, นะ สังเกตดูคําที่เราเวลาถวายสังฆทานะ aya, านะหิตายะสุขายะอนะหิตอัตถายะหิตายะสุขายะเป็นตอนเขาจะมีค่อยคําเหล่านี้ใช่ไหมหิตายะนี่แปลว่าเกื้อกูลสิ่งใดออัตถายะหิตายะเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่เหล่าสรรพสัตว์เนี่ยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าประโยชน์เนี่ยมีอยู่สามอย่างนะหนึ่งประโยชน์โลกนี้สองประโยชน์โลกหน้าที่สําคัญที่สุดคือประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพานนั้นคำว่าประโยชน์หมายถึงพระนิพพานผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกหน้าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราสัพพสัตว์และผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานแก่เราสัตว์ไม่เคยเห็นเลยนะว่าใครจะทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าสามสิบหกล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นใครเขาทากันอย่างนี้เลยเหมือนกันไม่เคยเห็นแล้วก็ ไม่มีใครที่จะปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลสิ่งคําว่าเกื้อกูลเนี่ยหิตายะเนี่ยนะเกื้อกูลคําว่าเกื้อกูลหมายถึงอริยมรรคเพราะเกื้อกูลช่วยให้สัตว์พ้นจากนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานพ้นจากพิษภัยทุกโทษทั้งหลายนั้นคําว่าเกื้อกูลนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมรรคสี่นะโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเพื่อความสุขคำว่าสุขคือโสดาปฏิผลสกทาคามิพ้นอนาคามิพ้น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 ความสุขแก่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็อยากจะที่บายในเชิงรายละเอียดว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรคําในอัธกถาหน้าสี่สิบสองบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบ well ัต <manifested being zijn principe> ิเพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะหมายว่าเพื่อประโยชน์เพื่อบรรลุมรคผลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมายว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกนี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกหน้าปฏิบัติเพื่อมรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเนี่ยนะพระองค์ทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะพระองค์ทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อัตถกถาที่บายว่าตั้งแต่พระองค์เนี่ยนะรวบรวมธรรมะแปดประการเพื่อจะได้ตั้งความปรารถนาจะได้สําเร็จเป็น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 ถ้าชาตินั้นนะถ้าต้องการจะได้เป็นพระอาหารหันตะ์ถ้าต้องการจะต้องเป็นพระอาหารหันต์และหกต้องได้เห็นพระพุทธเจ้าเจ็ดสละชีวิตเป็นพุทธบูชาข้อแปดปรารถนาะใจเนี่ยต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าเ อ, อทนทุกทรมานทุกอย่างต้องการความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพราะนั้นรวบรวมคุณธรรมแปดประการนี้แล้วตั้งความปรารถนาว่า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 อันนี้คือการตั้งความปรารถนาของท่านทั้งหมดนี้ก็คือทําเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ <hob bus molecule> เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในคุณธรรมแปดประการเนี่ยนะที่พูดไปเมื่อกี้มีอยู่ข้อหนึ่งก็คืออ <c ure> <c ure> คุณออะไรนะชาตินั้นเนี่ยนะถ้าปรารถนาจะเป็นพระอรหรอันต์ชาตินั้นถ้าต้องการอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อสี่อสงไขยแสนกลับที่แล้วถ้าท่านต้องการจะเป็นพระอรหรันต์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 ผู้อื่นเพราะการที่พระองค์ทำทั้งหมดเนี่ยนะสร้างบารมีทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นแล้วพระองค์ทำยังไงบ้าง <c oughs> พระองค์ให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีสิบใช่มบารมีสิบมีอะไรบ้างหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหขันติบารมีเจ็ด สัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีบารมีข้อแรกเนี่ยบารมีสิบประการเนี่ยแจกเป็นสามระดับระดับบารมีธรรมดาระดับอุปปาบารมีและระดับปรมัภิบารมีระดับบารมีธรรมดาเนี่ยวัดกันตรงไหนถ้าศูญย์เสียเข้าของภายนอกตัว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 ถ้าถึงกับให้ทานถ octopus, ึงกับสละชีวิตรักษาศีลจนถึงกับสละชีวิตเรียกว่าปรมัทธปรมีคิดง่ายๆไงถ้าแรกด้วยโภกท้ัพย์เรียกว่าบารมีต้องสูญเสียพภกท้ัพย์ในการเจริญบุญเรียกว่าบารมีถ้าถึงกับสูญเสียอวัยวะเป็นอุปปรมีถึงกับสูญเสียชีวิตไปเรียกว่าปรมัทธปรมีเนี่ยจะต้องให้ทานเนี่ยนะจะต้องสูญเสียสามอย่างรักษาศีลก็สูญเสียสามอย่างเนี่ยนะ ทำทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยนะสร้างบารมีสิบทาบารมีทุกอย่างให้ทานก็บอกว่าเสร็จแล้วพอบุญที่เกิดจากการให้ทานของเราป่าถนาว่าอย่างไรนะสุทินางวัตเมทานางอาสวัคยวหังนิพา น, ะ ป, นปะปัจโยโหตุสุทินทุติยมปิสุสทินางวัตเมทานางสัพพะทุกขาปมุตจเยสุทินตะตติยมปิสุทินางวัตเมทานาง นิพพานะปั จ, จโยโหตุคนเดียวไปได้เมื่ อ, อไหร่ก็ไปแล้ว น, นะคิดเผื่อคนอื่นไหมตอนนั้นอายยอมเวลาว่าเม่ชอช้ยมโมทคิดเผื่อคนอื่นบ้างไหมโอ้ค า, าราพเจ้าไปได้ก็ไปแล้วบอรอเราไม่คอยใครแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทานตัปสุทิ น, นังวัตเตมีทานังไปต้นขอทานที่เราได้ให้แล้วเนี่ยเราจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้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 สัพพทุกขาประมุญจจเ ย, ยเนี่ยต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกข์หมดเลยเจริญเมตตาท่านนะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะเจริญปัญญาเพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกภาคเพียรขยันทำบุญความมันเพียรทั้งหมดทำเพื่อคนอื่นคิดง่ายๆบอกว่าแม่หลายคนก็บอกว่าที่ทำอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพื่อใครเพื่อลูกมันโู้ยทนจริงๆเลยนะมาหาทนเลยนะ โทษจริงๆตื่นตั้งแต่ตีสีหลับตั้งแต่สี่ทุ่มห้าหกทุ่มแล้วก็ตื่นตีสี่วนอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าดีไม่ได้อดหลับทั้งคืนอย่างเงี้ยนะเพื่อใครบอกเพื่อลูกเป็นต้นเอ้ลูกดียังไงถึงขนาดลงทุนขนาดนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยใจเมตตาของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกนะเป็นความหวังดีเป็นความเอื้ออาทรเป็นความปรารถนาดีของพ่อแม่ที่มีต่อลูกฉั้นใดพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์มองเห็นคนอื่นทั้งหมดเป็นลูกล่ะ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 แค น, นันละเรีว่าสัตตปุญญลัคนโนพระพุทธเจ้าผู้มีบุญนับร้อยนะมีบุญนับร้อยทั้นทุกอย่างพระองค์ทําเกินกว่าสัรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมากมายที่ทําได้มากขนาดนั้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีใจริษยาต่อใครเลยเนี่ยนะเพราะเวลาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจึงช่วยเหลือสัรพสัตว์นะนะให้เขาบรรลุหาประมาณไม่ได้แนะ้น พระองค์จึงช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยบรรลุช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้หาประมาณไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ตั้งความปรารถนาและทําเหตุมาเพื่อที่จะช่วยเหลือโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากให้พ้นจากวัฏทุกข์ให้พ้นจากสังสารวัฏนั้นพระอินทร์เขาอัศจรรย์ใจมากว่าเกิดมาไม่เคยเห็นใครดีขนาดนี้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันไม่เคยเห็นเลยนะสามสิบหกล้านปีเนะี่ย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 ห่างกันเป็นพุทธันดรห่างกันแผ่นดินหนารวบ20กนะิโลเมตรน่ะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น่นะเอาแผ่นดินหนาได้ยังไงเช่นแสงอาทิตย์เป็นต้นส่องลงมาเนี่ยนะแผ่นดินจะทําให้หนาขึ้นด้วยแต่ก็ด้วยเหตุผลอันอื่นด้วยทําให้แผ่นดินเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะแผ่นดินหนาขึ้นรวบ20กิโลเมตรเนี่ย น, นะนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งจึงจะเกิดขึ้นพระพุทธเเจ้า่นนะะี